หลวงพ่ออธิบายเรื่องศีลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาย่นย่อเพราะหลวงพ่อเคยพูดหลายครั้งต่อหลายหนแต่ศรัทธาญาติโยมบางท่านก็คงจะไม่เคยมาที่วัดของหลวงพ่อแล้วก็บางท่านก็เมื่อได้ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจชัดอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้อธิบาย พอเป็นแนวทางให้แก่พวกเราทั้งหลายเข้าใจอันดับแรกหลวงพ่อจะกล่าวนโมนโมตัสสะเป็นผู้นํากล่าวนโมให้พวกท่านทั้งหลายว่าตามนะทำไมเราจะรักษาศีลเราจึงกล่าวนโมนโมตัสสะปะคาวตัวอรหโตสัมมาสัมพุทธะข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ยากนั้นก็พุทธทางธรรมังสังขังสระนางังคัฉามิดุติยมปิพุทธทางธรรมังตาติยมปิพุทธทางธรรมังสังขังสระนางังคัฉามินโมตัสัคข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ประกาศเผยแพร่ธรรมะมาสู่ประชาชน พวกเราท่านทั้งหลายเป็นต้นความคิด เ, เป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาที่ได้ไปรับรู้ไรตัสรู้ธรรมเพราะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาจึงกล่าวนโมจากนั้นก็พุทธทงังทำมังสังขัง พระพุทธเจ้าเป็นสรร ะ, ะของพวกเราพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรายึดถือนำมาประพุทปธปฏิบัติเป็นนิยานิกระทจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าชั่วก็ชั่วจริงตรัสว่าอันนี้ดีก็ดีจริงเพราะนั้นพวกเราจรึงได้นำธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพุทิปฏิบัติกายวาจาใจของพวกเรา พวกเราก็ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจรึงรับว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราสางงสาางขังสรรนางคดฉาไม่เข้าไปเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่นำธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา อันนี้ก็คือพระสงฆ์สาวกถ้าว่าพระสงฆ์สาวกไม่ได้นําพระธรรมคําสั่งสอนมาเผยแพร่ให้พวกเราพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคงจะหมดในยุคสมัยนั้นไม่ถึงพวกเราเพราะนั้นพระสงฆ์สาวกจึงเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ครบรักษาระของพวกเราเนาะสังขังสารังคฉามดูติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สอง ตติยามปีพุทธังทำบางสังขังสะระนังขจามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมเป็นครั้งที่สจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลนะท่านใดปานาติปาตาเวรมณีข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าผู้ใดใครผู้หนึ่งเพราะว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีไม่มีความสุขในชุมชนและสังคมแต่ถ้าว่าพวกเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลาน ฆ่าวงศาขณะญาติของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาก็ชินเดียวกันเขาก็เสียใจเพราะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าฆ่ากันเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์มนุษย์ชาติหรือว่ามนุษย์โลกที่อยู่ด้วยกันถ้าหาว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตกัน โลกทั้งโลกก็สงบพรมเย็นเป็นสุกอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานอธินาทานาเว ร, รมะนีอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาถ้ า, เร า, เ, าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันขโมยคํานี้มันมีมากลากหลายผลที่สุดนู่นขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาไปเรียกค่าไถ่ายอย่างนี้อันนี้ก็คือขโมยเหมือนกัน ไม่ใช่แต่ขโมยรองเท้าขโมยของจิ๊บจ่อยขโมยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราก็เสียอกเสียใจเหมือนกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าโลกทั้งโลกไม่เคารพสิทธิ์กันมีการขโมยกันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในมนุษย์ชาติในโลกยุคไหนๆก็ตามถ้ามีการขโมยกันแล้ว จะหาความสงบสุขไม่ได้เลยอันนี้คือศินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาขรักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกจะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าโลกทั้งโลกมีศิน แกมีสุมิทชาร์จานเคารพสิทซึ่งกันและกันแล้วอันนี้ศินข้อที่สีมุสาวาทาเวรมณนีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเราเราก็เสียใจโลกทั้งโลกถ้าหาว่าไปที่ไหนมิตราปนโกหกต่อแหลต่อกันต้มตุ๋นหลอกลวงกันไปที่ไหนเราพวกเราก็ไม่ไว้วางใจเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย เ, เหตุว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคมของพวกเราคือศีลข้อที่สมุสาข้อที่หสุรา ม, รมี 5, ระยะบัชป ร, มระมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่าง เพระนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หอย่าไปดื่มของมืนเมาทั้งสุราคัญชายาฟินเฮโรอีนยาบ่งยาบ้านยา마ล้วนแล้วจะเป็นยาเสพติดหรือว่าให้โทษถ้าดื่มเสพเข้าไปแล้วจะทําให้สมองของเราปั่นป่วนเสียหายขาดสติขาดการยับยั้งเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึง ห้ไม่ให้ดื่มของมึนเมาทำดื่มเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วคนขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาคณาญาตฆ่ามิตรสหายขาโมยสิ่งของใครก็ได้ประพฤตลิลาบแล่วงซ้ำมีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกตมตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้พราะคนขาดสติ เพราะนนพกุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลหาข้อนีเป็นศีลขั้นพื้นฐานสำหรับมนุษย์ที่จะอยู่ด้วยกันถ้าว่าพวกมนุษย์อยู่ด้วยกันขาดศีลธรรมแล้วมนุษย์จะอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดผวาจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้เพราะนั้นศีลห้าข้ออย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปนี้มีคุณค่ามีประโยชน์สาหรับพวก อ, อุบาสิกาผู้หวังความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขในตนเองครอบครัวประเทศชาติต่อโรคในยุคสมัยนั้นนั้นหรือยุคสมัยนี้นี่ถ้าว่าพวกโรคของเราขาดศีลธรรมในยุคนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าว่าพวกเรามีศีลธรรมในยุคนี้ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในยุคนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นขอให้ เราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนถ้าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นฉุกแล้วนั่นแนหะทุกคนจะต้องเป็นภู้มีศีลธรรมเป็นภู้มีศีลห้านะถ้าว่าพวกเราขาดศีลและธรรมและขาดศีลห้าแล้วนั่นแหละ ความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในชุมชนประเทศชาติของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าศีลและธรรมศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์พวกนั้นเพราะเหตุนั้นพวกเราได้เข้ามาสู่วัดวาศาสน า, ศ า, ศาหรือว่ามีพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาพวกเราจึงได้พร้อมใจกันสมาทานศีลก่อน เพื่อความมริสุทธิ์ทางกายทางวาจาของพวกเราวันนี้ก็ชินเดียวกันพวกเราเข้ามางานกรถิ่นของหลวงพ่อวันพุงนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาห้าสองแล้วก็วันพุงนี้เป็นวันที่11ตุลาห้าสเป็นวันทอดกรถิน่นพวกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมเลยมาพักแรมในวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ให้สมาทานศีล นานทีปีหนพวกเราจะได้มานอนค้างที่วัดแล้วก็ควรจะมาควรจะสมาทานศีลธรรมที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ขอให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจสมาทานศีลด้วยความตั้งใจและก็อย่าให้ทําลายศีลตุกข์ของตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สักครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้ขณะนี้จนถึงวันรุ่งขึ้นนั่นแหละหรือว่า รักษาได้นานเท่าไหรก็ยิ่งเป็นผลดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลต่อไปนะโมตัตตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาหลวงพ่อเองอยากจะเรียนให้แก่ญาติโยมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าวันนี้มาจากจากตุระทิศมาจากทุกแห่งหน มาจากทางใกล้ทางไกลพวกท่านทางหลายเห็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาอย่าพวกเราไปทอดกรถินในวันนี้พวกเราท่านทางหลายก็งคงจะคิดว่าโอ้จะถูกปัจจัยของหลวงตาเนี่ยจะเอาไปใช้ที่ไหนอย่างไรบ้างแคือเป็นทุกข์เป็นร้อนกับอกหลวงตาไม่รู้จะหลวงตาจะใช้อย่างไรเหมือนกันเถอะที่มาที่วัดของหลวงพ่อ พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะคิดอีกเหมือนกันว่าเมื่อเราถวายกรถินไปแล้วหลวงพ่อจะใช้จ่ายยังไงในเงินกรถินที่พวกเราจะถวายนี้อันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้ใช้จิตุปัจจัยคณะศรัทธาญาติโยมมีการก่อสร้างบ้างแต่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเองไม่เน้นเน้นในเรื่องการก่อสร้างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น หลวงพ่อทำเหมือนกับลังต่อลังแตนลังต่อลังแตนคล้ายๆกับว่ามีศรัทธา ญ, ญาติโยมมามากแล้วก็ต่อเติมขึ้นไปอีกซะในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าพอแล้วเออพอไว้ก่อนถ้ามีมากขยายขึ้นมาอีกเราก็ขยายออกไปอีกพวกเราคงจะเคยเห็นลังต่อลังแตนถ้ามันมีแต่แม่ของมันแม่เดียวมันก็ทาเล็กๆพอมันมีลูกขึ้นมามันก็ขยายออกไปอีก นี่เหมือนกันในวัดว า, าศาสนาวัดวัดของหลวงพ่อเนี่ยกลักษณะอย่า ง, ง น, นั้นแหะเนื่องคือหลวงพ่อไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนแต่ว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคงจะอึดอัดเพราะว่าที่พักพาอาศัยคับแคบและไม่มเพียงพอแต่ขอติ้งยังไงก็หลวงพ่อก็ต้องขออภัยกับลูกหลานทุกคนอิฐเหมือนกัน ถ้าว่าหลวงพ่อเองถ้าคิดสร้างใหญ่โตโหขุอนหลูหลาขึ้นมาอาคารหลังมีต่หลังใหญ่ๆอย่างนี้ที่พักพาอาศัยถ้าว่าศรัทธาญาติโยมไม่มาล่ะแอบปลวกหลานหลับตาคิดดูสิว่าอาคารเหล่านั้นน่ะจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลวกของมดของตุกแก่ของหนูถ้าการดูแล ร, รักษาแล้วจะเป็นยังไงเ อ, อ ลองคิดดูให้ดีซึ่งว่าผู้อยู่จะลำบากเพราะนั้นหลวงพ่อเองจริงไม่ได้ก่อสร้างแต่ถ้าหากว่าพวกเรามาหลายๆคนก็อึดอัดบ้างนะเพียงวันเดียวคงจะทำใจได้พอเรามาทำบุญนะทำบุญด้วยทำใจด้วยนะเพราะนั้นเราจะไปหวังความสะดวกสบายจนเกินไปให้คิดถึงหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อมาอยู่ใหม่หลวงพ่อกวาดใบไม้มากองกองแล้วก็เอาเสือปูทับข้างบน แล้วก็กางมุ้งขึ้นมาแล้วก็นอนบนแผ่นดินแต่นี้คณะสัทยาญาติโยมทั้งหลายที่มาก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นคงมีกระเบื้องคงมีพื้นมีกระดานได้พักผ่อนนอนคงจะดีกว่าหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อมาสร้างวัดใหม่เพราะนั้นขอให้ลูกหลานละระลึก ถ, ถึงความลำาบากของหลวงพ่อที่มาอยู่วัดใหม่ๆและก็ถ้าหลวงพ่อสร้างขึ้นมาก็อย่างที่ หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ <Hey. S 1> พวกเราได้ฟังนั่นแหละจะเป็นปัญหาต่อไปภายภาคหน้าเพราะอาคารมันดีแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงคนไม่มีมีแต่โศกปลวกรกลุงหลังเดี๋ยวกับพวกเราก็จะตําหน่อีกแล้วว่าโอ้หลับหูหลับตาสร้างนะหลวงพ่อไอ้ดูซิกุฏิวิหารมีแสงแต่จักษ์เยื่ยจักใหญ่มีแต่ขี้หนูขี้ทุกแก่เต็มไปหมด อหาผู้หาใครจะเป็นผู้ดูแลรักษาก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็มันสองอย่างอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นหลวงพ่อทําสิ่งไหนหลวงพ่อต้องคิดซะก่อนเขาว่าหลวงพ่อหลอบหอบเขาวางกันนะหลวงพ่อละเอียดเขาวางกันนะได้ยินเขาว่าหลายๆคนแต่ตามไม่จริงอย่างนั้นจริงๆแนหะหลงพ่อเคคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนจึงจะทําสิ่งไหนลงไป วันั้นขอให้สัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่มาพักวัดหลวงพอ่อถึงจะอึดอัดหน่อยก็ทําใจให้กว้างขวางนะถึงจะลําบากกายแต่ทําใจให้กว้างขวางพอหลายคู่หลายคนมาอยู่ด้วยกันนะแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกจริ ง, รงๆหลวงพ่อก็เน้นเหมือนกันนะเน้นคือเรื่องน้ําเรื่องทานถึงยังไง ม, มากขนาดไหนก็ให้มีน้ําใช้ให้สะดวกสบายเรื่องเกี่ยวกับน้ําแต่เรื่องไฟนี่ก็ลําบากอยู่บ้างไฟ หลวงพ่อก็ไม่ได้เน้นเรื่องไฟอีกเหมือนกันแต่เรื่องน้ำมันจาเป็นนะแล้วสิ่งที่พักพาใส่ก็พอประมาณนะเพราะนั้นแล้วเรื่องการก่อสร้างหลวงพ่อกระทำที่จำเป็นอย่างที่ว่าและจะตกปัจจัยของหลวงพ่อที่ได้มาถึงอย่างคณะสัทธาายาโยมถวายต่างกลัมต่างวาระที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ถวายปัจจัยหลวงพ่อก็ได้นําไปใช้ สร้างเมนบัางสลาพักศพบัางแต่วัดหลวงปู่จามหลวงพ่อเขาไปสร้างจุดๆนั่นก็หมดไปเกือบ3มล้านแล้วก็อาคารหรือถังน้ำให้แก่วัดต่างๆที่มาเกี่ยวข้องที่ขอไปหลวงพ่อก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ไปเพราะเราไร่มาโดยเป็นธรรมเราก็สงเคราะห์ไปโรงรำ่ำโรงเรียนโรงพยาบาลอนามัย หรือเครื่องมือแพทย์อย่างนี้หลวงพ่อก็ได้ให้แต่วันนี้หลวงพ่อจะได้อ่านที่หลวงพ่อได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลสูงอุดรโรงพยาบาลสูงอุดรมื้อเช้านี่เขาก็คงจะพูดเหมือนกันว่าหลวงตาได้สร้างโรงพยาบาลสูงอุดรสิบชั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นไปชั้นที่เจ็ดที่แปแล้วเดือนสิงหาวันที่สิสองสิงหาเนะี่ยคิดว่า จะเป็นวันมอบถวายอาคารได้แนะปลว่าเสร็จบริบูรณนะ์วันเกิดของหลวงตานะวันที่สิบสองสิงหาเพราะนั้นนะพวกเราคอยฟังนะเพราะงานไปได้ดีไม่มีปัญหาจะตุปัจจัราะเป็นไปได้นะแต่ศรัทธา ญ, ญาติโยมก็ต่างคนก็ต่างจองห้องพิเศษห้องหนึ่งห้องสองห้องละล้านบางห้องละสองล้านบางห้อง VIP พิเศษให้สองล้านนะ แต่ห้องธรรมดาในะห้องละล้านห้องละห้ 0,000 ก็มีแต่เป็นห้องพระที่ชั้น10ชั้น9ชั้นแปดเป็นของสงฆ์ชั้น7เนี่ยเป็นของชีนะหลวงพ่อขอเป็นชีสักครึ่งหนึ่งประมาณจาก20ิเตียง15เตียงถึง20เตียงสําหรับชีที่บวชมาแล้วก็เป็นนอนปะปนกับขรรวาญาติโยมก็ยังไงดูเพราะเป็นชีควรจะเป็นเอกเทศนะเนี่ยทางนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็กาจัดให้อออพอหลวงพ่อหลวงพ่อได้ ขอไปจากนั้นลงมาชั้นหชั้นหชั้น 3, สี่ชั้นสมชั้นหนึ่งนั้นเป็นของพี่น้องประชาชนในตึกหลังนี้ที่หลวงตาจะสร้างตึกสิบชั้นเนี่ยแต่ที้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉพาะโครงสร้างอย่างเดียวร้อยแปดสิบสามล้านโครงสร้างแต่ถ้าวันนับอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปอีกก็คงจะ200ร้อยกว่าล้านแต่หลวงตาถ้าว่าเอาห้าร้อยล้านก็นแล้วกันเพราะว่า ถ้าได้มาแล้วก็คงจะให้ส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลศูอุร น, นิยเป็นนักเรียนแพทย์เข้ามาแล้วปีที่แล้วเนี่ยต่อไปก็จะคงจะเป็นโรงเรียนแพทย์ขึ้นมาในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็คงจะได้ใช้อุปกรณ์การแพทย์มากมายหลายอย่างพอสมควรดวงตาท่านมองไกลกว่าพวกเรานะดวงตานี่ท่านมองสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นแต่ลว ง, งตานี่มองเห็นเหมือนกันจ้ะ การมองไกลกว่าพวกเราเพราะท่านท่านเดีย ว, ว่าหน้าห้าหน้าจะเป็นห้าร้อยล้านเท่านั้นนะแต่ทีนี้อาคารหลังนี้ก็เนี่แหละเสร็จแน่นอนไม่เป็นคงจะไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่แต่ทีนี้ทั้งหมดมีอยู่สิบแปดงวดการจ่ายเงินสิบแดงวดพองวดที่แรกนี่ยี่สิบเจ็ล้านเพราะว่าพอเซ็นสัญญาอุปกรณ์เข้ามาแล้วรถเข้ามาเตรียมพร้อมแล้ว เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมพร้อมแล้วที่จะสร้างแล้วเขาก็เบิกเงินงวดที่หนึ่งล้านตามสัญญาพอที่สองกับสองล้านกว่าพอถึงงวดที่สามนี่หลวงพ่อกระเดยเข้าไปคุยกับคณะกรรมการพูดกับคณะกรรมการว่างวดที่สามเนี่ยห ล, ลวงพ่อขอนะขอเป็นผู้ใจ่ายในานามของคณะสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อคณะสัทธายญญายง ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ถวายเจตุปัจจัยต่างกลัมต่างบาระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนี่นะหลวงพ่อเองก็ได้รวบรวมเจตุปัจจัยเอาไว้เพื่อจะเป็นทําบุญสาธารณประโยชน์อย่างเนี้ยหลวงพ่อก็ได้เข้าไปบอกกล่าวกับคณะกรรมการแล้วก็เข้าไปกราบเรียนองค์หลวงตาหลวงตาท่านก็เอออนุญาตนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจะได้อ่านให้แก่ท่ะนศรัทธาธญาติโยมฟังอีกเพราะวันนี้มามากนะเอพอาะบางค น, นอาจจะสงสัยว่าหลวงพ่อจะใช้เงินไปยังไงนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้จะได้อ่านให้ฟังในเรื่องหนึ่งแต่หลวงพ่อทําไปแล้วมากมายหลายเรื่องแต่ว่านี้เป็นเรื่องหนึ่งพวกเราควรจะรับรู้รับทราบนะในหลวงพ่อจะได้อ่านเป็นตัวหนังสือหลายลักณนะ์อักษรไะ ที่ถวายองหลวงตาคณะสงฆ์และคณะสัตยาญาติโยมวัดป่านาคำน้อยตําบลบ้านกล้องอําเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีได้ถวายเงินโอนจ่ายงวดงานที่สามแทนองค์หลวงตามหาบัวตึกสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอาคาร96ปีหลวงตามหาบัวยนสัมปันโน วันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2552ค่าก่อสร้างงวดงานที่สหัก 15% เปอร์เซ็น์ไม่รวมแวดและหักค่าภาษีแล้วโอนจ่ายเป็นเช็คเงินสดแคชเชียร์เช็คจ่ายในานามบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวรอกเมน์มหาชนจำกัดรวมจ่ายงวดงานค่าก่อสร้างตามรายละเอียดข้างต้นจำนวน 3,823,640 สส บ, บาทย้ําอีกนะรวมใจงวดที่3นี้เป็นเงิน 3,823,640 มม บ, บาทถ้วนขอให้คณะพวกเราทุกๆุก ท, กท่านอนุมโมทนาทานโดยพร้อมเพียงกันเทิน์อาวอจะตูกปัจจัยที่ หลวงพ่อได้มาก็ได้ช่วยสวงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างที่หลวงพ่อได้อ่านลงจบสักครู่นี้อันนี้ก็คือช่วยโรงพยาบาลแต่ก่อนหน้านี้ก็ไได้ช่วยไปบ้างและก็เครื่องมือแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะแต่เรื่องที่สองทีนี้หลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับคณะจัทตารญาติโยมอีกเหมือนกันควรจะรับรู้รับทราบ เมื่อคืนเมื่อวานในหลวงพ่อไปไประชุมที่วัดป่าบ้านตาดตอนกลางคืนพอกลับมาถึงวัดหลวงพ่อกว่าหกทุ่มเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อไปไประชุมอะไรถึงมากมายถึงขนาดนั้นคณะรชาติญาติโยมที่นั่งอยู่ศาลาใหญ่ก็คงจะได้รับรู้รับทราบว่าคือทางรัฐบาลเขามีกฎกติกาออกมากฎหมายเขาร่างกฎหมายออกมาแล้ว่ากกทอชะ กฎหมายเกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมแต่นี่วิทยุเสียงธรรมพออ่านในเนื้อหากฎหมายแล้วก็ไม่สบายใจกับคณะพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์นี่ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองเกี่ยวกับข้อกฎหมายทุกตัวบทตัวบทกฎหมายงั้นเถอะตัวทุกตัวอักษรของที่ประกาศออกมา แต่พอท่านอ่านโดยแล้วท่านไม่สบายใจตรงที่ว่าสถานีวิทยุชุมชนสถานีวิทยุชุมชนจะกระจายเสียงได้ในรัศมีสามี 3, 3ตารางกิโลเมตรในท้องถิ่นถ้าว่าชุมชนใหญ่ขึ้นมาอย่างชุมชนอำเภอไม่ให้เกิน5ตารางกิโลเมตรแต่ถ้าว่าชุมชนใหญ่ในระดับจังหวัด ไม่ให้เกินสิบห้าตารางกิโลเมตรเน่ทีนี้สถานีวิทยุของหลวงตาเนี่ยจากวั ด, วดปาา่ดปาบ้านตาดมาถึงเราเนี่ยร้อยยี่สิบกิโลถเราวิ่งร้อยี่สิบกิโลทีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราจดทะเบียนได้ลงทะเบียนกับสถานีชุมชน พวกเราก็ทําเปิดสถานีขึ้นมาถึงร้0ยย่สิบตารางกิโลเมตรเนี่ยมันต้องผิดกฎหมายเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นคณะกรรมการพระสงฆ์ทั้งคณะสัตยาญาติโยมเลยประชุมหารือกันว่าเอาอยัางไงถ้าเราลงทะเบียนเนี่ยต้องผิดกฎหมายเขาถ้าเราไม่โรงทะเบียนเราก็เป็นวิทยุเถื่อนก็ผิดกฎหมายอีกทีหนึ่ง เ, เราจะทํำยังไงก็เลยปรึกษาปารุกันว่า เลยให้คณะกลุ่มหนึ่งเข้าไปทําความเข้าใจกับทางรัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องอยากจะให้ร่างกฎหมายให้มีหลายประเด็นอย่างพวกเราเนี่ยมองเห็นว่าอสมทสถานีวิทยุของทางรัฐบาลอสมทหรือว่าวิทยุรัฐสภาอย่างนี้สถานีวิทยุของหลวงตาก็น่าจะเข้าขายนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสถานีอสอมอทองไม่สแสวงหาผลกําไรแล้วก็เป็นการประกาศเผยแผ่ผลงานของรัฐบาลสถานีวิทยุรัฐภาก็เช่นเดียวกันแต่สถานีของหลวงตานี่ก็เช่นเดียวกันมีแต่กประกาศเผยแผ่ธรรมะสู่พี่น้องประชาชนไม่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หาผลประโยชน์กับสถานีมีแต่คณะศิษยานุศิษย์รับ จากดาวเทียมไทยคมสองมาแล้วก็กระจายในพื้นที่สถานีของใครของเราก็ได้ช่วยกันหาทุนนะครั์มาจ่ายเป็นค่าไฟค่ารักษาบารุงรักษาสถานีอย่างของหลวงพ่อเนี่เหมือนกันที่พวกคณะสัตายาญาติโยมได้เห็นป้ายที่หน้าวัดคือป้ายที่ตรงนี้อยู่ที่วัดของหลวงพ่อในเองก็มีสถานีวิทยุเสียงธรรมที่รับมาจากองหลวงตาเหมือนกัน สถานีของหลวงพ่อเนี่ยหมายเลขก็คือร้อยเจ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิรตหนึ่งกิโลวัตต์เสาสูง60หกสิบเมตรอส่งในพื้นที่สามสี่อำเภอในหุบเขาเนี่ยเพราะสถานีของหลวงตายิงเข้ามาแล้วมาชนเขาผูพานมันข้ามไม่ได้กลางวันนะแต่กลางคืนเนี่จะจ ะ, จะจะรับได้เพราะว่ากลางคืนนี่สถานีวิทยุ ในเขตนี้เขาปิด เ, เขาปิดพาะเที่ยงคืนเขาก็ปิดสถานีแต่ลงตาใน24ชั่วโมงเปิดมาจากวัดปา้านตาดพวกเราพอได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างถ้าอากาศวันไหนดีเราก็ได้ยินถ้าอากาศวันไหนฝนตกคื้มก่อนอากาศไม่ดีก็ส่งมาไม่ถึงเพราะนั้นหลวงพ่อเองเห็นว่าในถิ่นของเรานี่น่าจะได้รับฟังธรรมะทำคาสังสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจึงได้ ตั้งสถานีขึ้นมาแห่งหนึ่งเพื่อกระจายเสียงรับสัญญาณไทยคมสองจากดาวเทียมคือลงตาวัดหลวงตาเนี่ยส่งขึ้นดาวเทียมและจากนั้นก็ส่งลงมาในพื้นพวกเรากรับจากดาวเทียมไทยคมสองกระจายในพื้นที่ของพวกเรานี่แหละอันนี้คือมันก็ต้องกว้างขวางเพราะฉะนั้นคือมันมีปัญหาอย่างนี้แล้วพวกเราอยากจะ ทางให้ทางรัฐบาลเนี่ยพูดเป็นทำเป็นกฎหมายคุ้มครองว่าสถานีใดก็าตามไม่สแสวงหาผลกำไรเป็นสถานีที่ให้ประโยชน์แก่ชุมชนสังคมก็ควรจะอนุญาตให้เผยแพร่หรือว่าให้กระจายเสียงออกไกลได้การกระจายเสียงทางนี้ท้งนั้นจะไม่ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้เป็นมันไปลังแกสถานีเล็กสถานีน้อยเขาคือสถานีใหญ่ก็ต้องรักษา อ, อย่างนี้นี่แหละคือได้พูดกันเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็บอกว่าตามตามที่จริงทางรัฐบาลน่าจะเกียดเงินงบประมาณมาให้พวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราไม่ได้แ ส, สวงหาผลกำไรจริงๆมีจักระศเผยแพรธรรมะ ต่อพี่น้องสู่พี่น้องประชาชนให้รับผู้รับทราบรับฟังแล้วไม่ใช่จะมาปิดสถานีตาตาไม่จริงทางทางรัฐบาลเขาไม่ปิดหรอกแต่ว่าเขาไม่อนุญาตสมมติว่าสถานีของท่านจะเครื่องใหญ่ขนาดไหนก็ได้จะเสาสูงขนาดไหนก็ได้แต่ไม่ให้เกินกระจายเสียงออกไปไม่ให้เกิน15ตารางกิโลเมตรอ่นีมันก็กีดกันโดยโดยปริยายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายเสียงออกไป เ, เกิน15ตารางกิโลเมตรมันก็ผิดกฎหมายของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สบายใจคำว่าเสียงธรรมเสียงธรรมเสียงธรรมคือเสียงเหตุผลถ้ า, าว่าพวกเราประกาศทำออกไปแล้วยังผิดกฎหมายซะเองเนี่ยเสียงธรรมนี่นจะน่าเชื่อถือไหม เ, เพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่สบายใจที่พวกเราจะทำํำผิดกฎหมายซะเอง เพราะนั้นเราจะจะทําให้มันถูกกฎหมายพวกเราจรึงได้ขอร้องเข้าไปทางทางรัฐภาทางกฎหมายบ้านเมืองขอให้ร่างกฎหมายคุ้มครองพวกเราด้วยเนี่ยอันนี้ก็กําลังพูดพูดกันอยู่เพราะฉะนั้นคณะสัตยาธิโยมทุกคนนะที่ได้ยินทางว่ามีการร่าลายเซ็นหรือมีอะไรก็ตามก็ขอให้พวกเราเข้าใจว่าพวกเราอยากจะให้มันถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อยากจะผิดกฎหมายแล้วก็พวกเราไม่อยากจะกำจัดสิทธิมนุษยชนที่ว่าพวกเราพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะก็ปิดซากเทีนเนี่ย อ, อันนี้ก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นขอให้ถึงยังไงยังไงหลวงตาก็าดีพระสงฆ์ก็ดีขอบิณฑบาต ท, ทุกหน่วยทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่าให้ความสนใจให้ความเป็นธรรมกับสถานีวิทยุเพราะสถานีวิทยุไม่เป็นพิษเป็นภัย กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลวงพ่อลคณะสงฆ์ที่ประชุมกันเมื่อวานนี้ได้ตกลงลได้พูดกันอย่างนี้จากนั้นก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อต่างๆที่ม า, ารับรู้รับทราบแต่ว่าจะออกข่าวหมักน้อยอยังไงแค่ไหนอันนั้นเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค อ, อยนั้นคณะสัตยาธิษฐโยมนะเน้อเมื่อได้ยินที่หลวงพ่อพูดเนี่ยขอให้รับรู้รับทรา บ, ร, บร่วมกัน พวกเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะให้สถานีวิทยุเสียงธรรมถูกต้องตามกฎหมายนะหลวงพ่อพูดสองประเด็นให้แก่สาาตัตยาธิษฐโยมได้ฟังแล้วนะที่นี่นะต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับธรรมะที่นี่ เ, เกี่ยวกับธรรมะภาคปฏิบัติแต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนําวิธีการภาวนาให้แก่ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษา เพราะว่าพวกเราไปสถานที่ต่างๆก็คงจะได้ยินพระสงเทศเรื่องทานเรื่องศีลแต่เรื่องภาวนาเนี่ยก็คงจะได้ยินบ้างแต่วันนี้หลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องกิตตภาวนาวิธีการภาวนาแผ่เมตตาจะ ท, ทำยังไงสำหรับพระกรรมฐานที่อยู่ในป่าหลวงพงไพให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง ที่พวกคณะสัตายาติโฐมมาจากจารตุรทิศได้เข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นคณะสัตายาติโฐมแล้วก็ อ, อ, อบอุ่นทางจิตใจแล้วก็มองดูแล้วก็มองเห็นพระศาสนาเห็นมองเห็นพระพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อไปเมื่อวานนี่ก็ไปเห็นคณะสัตายาติโฐมมาทำบุญทำทานกระองหลวงตา หลวงพ่อกับปราบปรึมว่าญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้เข้ามาทำบุญกับองค์หลวงตานี่มากมายถึงขนาดนี้ว่าคิดต่อไปถึงขนาดที่ว่าพระพุทธศาสนาคงจะคู่ยืนนานกับประเทศไทยนานเท่านานถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ด่งนั้นก็มาเห็นที่วัดหลวงพ่ออีกเหมือนกันไม่ใช่แต่วัดหลวงพ่อวัดอื่นๆก็คงจะมีเช่นเดียวกันในวันนี้ แต่คณะวัดหลวงพ่อก็เถอะที่มาเห็นในวันนี้หลวงพ่อก็ปราปลื้มใจเห็นคณะจัตธาญาติโยมมาวัดสู่วัดของหลวงพ่อแล้วก็ได้เพ่งไปถึงขนาดที่ว่าพระพุทธศาสนาคงจะอยู่ไปนานเท่านานเพราะเห็นคณะจัตธาญาติโยมยังหนักแน่นในคุณธรรมในศีลธรรมในจริยธรรมในทานศีลภาวนาอย่างนี้นะเพราะนั้นวันนี้ หลวงพ่อเองตามเรื่องก่อนหลวงพ่อจะพูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่วันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องภาวนาแต่เรื่องทานก็ใช่พวกเราก็ทำบุญทำทานในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าคนที่ทำบุญทำทานคนที่มี จ, จิตใจกว้างขวางจิตใจเอื้อเฟื้อเอื้ออารี คนมีจิตใจทำบุญทำทานไปเกิดในภพใดชาติใดก็จะเป็นผู้ไม่อดไม่ยาก เ, าเกิดในภพใดก็ดีกว่าใครทั้งหมดเพราะอันนี้สงทานเกื้อกุณหนุนอันนี้ก็คืออันนี้สงทา น, อ, น, น, ทานอันนี้สงสินถ้าพวกเราไปเกิดในภพภูมิใดสินจะคุ้มครองพวกเราจะมีความสงบร่มเย็ยนเป็นสุขจะไม่มีใครมาเบียดเบียนมาหลังแกมาขาโมยสิ่งของของเรา ถ้ามีสามีภรรยาก็พูดง่ายเข้าใจกันได้ง่ายไม่ผิดทะเลาะวิวาทกันเพราะเราไม่ได้ทําผิดศีลธรรมข้อที่สข้อที่4มุสาก็เหมือนกันไปนสถานที่ใดก็ไม่มีใครมาต้มตุมตนหลอกลวงเราเพราะเหตุไรเพราะเราไม่เคยทําให้แก่เขามาก่อนอันนี้ถึงนศีลข้อที่5เราเป็นผู้มีสติสมบูรณ์เป็นผู้มีปัญญาเกิดนสถานที่ใดเรียนหนังสือก็จําได้และก็เป็นผู้ เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายเพราะสินของเราดีในอดีตเกือ้อกูลนุนมาถึงปัจจุบันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็พวกเราคงจะทําความดีไว้ในอดีตชาติที่ว่าปุปเเพกตะปุญญาตาพวกเราได้ทําความดีไว้ในอดีตตะการอดีตชาติจึงมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นผู้มีความสุขตามอัตภาพ แล้วก็ท่านบอกว่าเมื่อปุเพกตะปุญจะตาอัตตสัมมาปณิธิแล้วพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบอีินทนีนพอมาถึงจุดนี้แล้วพวกเรากควรจะตั้งตนทำตัวให้เป็นคนดีเพื่อต่อไปในอนาคตพวกเราจะได้ถามว่าพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วพวกเราประมาทนอนใจไม่ได้สังสมคุณงามความดีบุญกุศลคุณคุณงามความดีมันก็หมดไปเหมือนกันนะ เพราะเราไม่ได้สั่งสมเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกเราสั่งสมบุญกุศลเอาไว้แล้วแน่นั้นบุญกุศลจะเกือ้อกูลหนุนส่งเราไปอีกในภพภูมิต่อไปในอนาคตนีน่แหละทานศีลภาวนาเนี่ยทานศีลเนี่ยเกือ้อกูลหนุนพวกเรามีความสุขในปัจจุบันและอนาคตด้วยนะแต่นี้มาพูดถึงเรื่องภาวนาทีนี้บางท่านบางคนก็อยากจะภาวนาอยู่แต่ไม่รู้จะทํำยังไงฮ ได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเดินจงกรมเนอะนั่งภาวนาเนอะอย่างเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงมันจึงจะถูกต้องแต่นี้หลวงพ่อจะแนะนำในในการเดินจงกรมก่อนสมมติว่าเราอยู่ในบ้านตัวบ้านของเราหลังใหญ่หรือมีสนามหญ้าอยู่ในหน้าบ้านหรือว่าเราไปออกกำลังกายตอนเช้าในที่สาธารณะเราพร้อมที่จะเดินจงกรมด้ทุก ริยาบทในการเดินของพวกเราแต่ถ้าว่ามาอยู่วัดวาศาสานามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจะทำทางเดินยังกรมไว้ทุกทุกหลังในกุฏิที่พระพักหลวงพ่อจะทำทางจรงกรมไว้พวกเราจะไปเห็นแต่ถ้าพระมาอยู่ก็ทางจรงกรมกอาจจะครุกคลักบ้างเพราะฝนตกน้ากัดเซาะก็คงจะเสียหายบ้างแต่ทีนี้ไงปรับปรุงแก้ไขได้ถ้าว่าตัวเอง ไปอยู่เข้าไปอยู่อาศัยในละทางจงกรมของหลวงพ่อเนี่ยประมาณถึง25เมตรความยาวนะกว้างนี่ก็ประมาณหนึ่งเมตรที่หลวงพ่อทําให้แก่พระได้เดินจงกรมตอนี้เมื่อเราจะไปเดินจงกรมเราจะทำอย่างไรถ้าทางเดินจงกรมที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นเราก็ไปอยู่สุดทางจงกรมไปสุดอยู่ทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งจะเป็น ข้างใดข้างหนึ่งของสุดทางที่สุดของทางเดินยงกรมจากนั้นเราปรนมมือขึ้นในในระหว่างอกนะหลับตาแล้วก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกเราไหว้ครูซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆ ส, สามจบจากนั้นเอามือลงเอามือลงในระหว่างท้องน้อยของเราเนี่ยในระหว่างท้องของเราเนี่ย เอ่มือประสานกันมือขวาทับมือซ้ายอ่มือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็เราจะแผ่เมตตายืนแผ่เมตตาก่อนก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ทข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือแผ่เมตตาให้จิตใจของเรา อ่อนโยนไม่ผูกอาคาตพยาบาทจองเวรกับทุกวิญญาณให้อภัยพร้อมที่จะให้อภัยแก่ทุกวิญญาณจากนั้นเราก็ก้าวขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโทพุทโทโแต่เราไม่ต้องตื่นช้าเดินตามปกติที่เราเดินอย่างไรเราก็ให้เดินอย่างนั้นไม่ใช่ยากยกก้าวขึ้นมาแล้วก็เดินแบบยกนอ้อยย่างนออันนั้นอีกอย่างหนึ่ง แตวเราเดินแบบภาวนาพุทโธเดขาขวาพุทธขาซ้ายโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเดินตามก้าวสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินเออคือไม่ให้จิตใจส่งไปทางอื่นแต่การเดินโยกรมนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าการเดินโยกรมอย่าเอามือกอดอกอถ้าเอามือกอดอก ดูแล้วเหมือนลักษณะเจ้าทุกข์คือมีคนมีความทุกข์อยู่ในใจเอามือกอดอกแล้วก็เดินและจะเอายาเอามือไขว้หลังอยาเอามือไขว้หลังแล้วก็เดินท่านบอกว่าการเดินยังกลมเอามือไขว้หลังนั้นเหมือนกับท่านนักเลงขาดความเคารพและกับไกวแขนแกมเหมือนกันอย่าไปไกวแขนใครๆว่ า, วาเหมือนกับคนเดินธรรมดาเกินไปมองดูแล้วก็ไม่ขาดการสำรวมระวัง เพราะท่านถ้าวาจะเดินจงกรมแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกคณะทายาิโยมทั้งหลายได้ได้ฟังเพราะนั้นเมื่อเราเดินแล้วเราไม่ต้องอายใครว่าไงเถอะนี่แหละคือความถูกต้องแล้วเดินอย่างนี้เราจะไปเดินนัสถานที่ใดก็าตามเดินอย่างนี้นั่นแหละคือเดินจงกรมที่ทางถูกต้องแล้วนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนาสั่งสอนวิธีการเดินจงกรม หลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนวิธีการเดินยึกรมให้ทําอย่างนี้เนีเราก็เดินเดินมากขนาดไนดะ้หลวงพ่อเดินเอาให้เหนื่อยวะงั้นเถอะเนีเดินให้เหนื่อยเงินรู้จักสองสามร้อยเที่ยวสี่ห้าร้อยเที่ยวเอีบางทีเดินไปสองสามชั่วโมงเน่ยพอเดินเสร็จแล้วเออเราเหนื่อยแล้วเนีแต่ว่าเราเดินไปเดินไปเราก็อาจจะหยุดยืนอยู่ข้าง สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโพอันนี้เราจะยืนก็ได้นะแต่บางท่านบางคนบอกว่าทำไมเวลาเดินโยงกรมไอ้ขาขวาพุทขาซ้ายโทมันก็มีอยู่แต่สิ่งหนึ่งมันแทรกเข้ามาอีกจะทำยังไงหลวงพอ่ออันนี้ก็มีคนถามหลวงพ่ออู่เหมือนกันหลวงพ่อก็บอกว่าเออถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะ ขนาดเราก้าวขาพุทธขาซ้ายโถมันยังมีอารมณ์แทรกเข้ามาอีกมันยังออกไปทางนอกไปอยู่ให้กำหนดตัวเองให้เป็นร่างกระดูกดูนะให้มันเป็นสองทิศคือกำหนดให้ตัวเองเป็นร่างกระดูกกระโหลกศีรษะแขนขาของเราอย่าให้มีเนื้อหนังติดเลยให้เป็นโครงกระดูกเดินนะขาขาพุทธขาซ้ายโถกาหนดไว้ข้าพเจ้าเอาโครงกระดูกเดิน เ, เนี่ยร่างกายของเราท่า เอาเนื้อหนังมังสาออกแล้วกระดูกชัดๆใช่ไหมถามตัวเองเออมันก็ต้องยอมรับว่าเออใช่ร่างกายของเรามีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างจากนั้นเราก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถคือให้ใจของเราอยู่ในโครงกระดกูกอีกส่วนหนึ่งและกายมีสติในการก้าวเดินอีกส่วนหนึ่งทดลองดูซิมันจะออกได้ไหมถ้าลักษณะอย่างนี้ในเมื่อเราเดินนานแล้วเวลาเราจะหยุดล้วจะทำยังไง เมื่อเราจะหยุดแล้วก็ไปอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นก็ประน ม, มือไหว้ครูอย่างที่ว่าก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสมจบจากนั้นก็ตั้งคิดอธิษฐานเออบุญกุศลที่เกิดจากการเดินจงกรมของข้าพเจ้าในวันนี้ถึงจะสงบมากน้อยอยังไงแค่ไหนบุญกุศลที่เกิดจากการเดินจงกรมนี้ขอให้เป็น บุญกุศลเกื้อกูลหนุนบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์วงสาคาน า, ายาตญาณมิตรสหายหรือเราจะจำเพาะเจาจงให้แก่บุคคลใดเราก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณนั้นถ้าท่านทั้งหลายตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปด้วยเทินจากนั้นจะค่อยออกจากทางเดินยงกรมแต่เมื่อออกจากทางเดินยงคมแล้วถ้าเป็นกางคืนแต่ใกล้ค่ำ ทำเรายังไม่เหนื่อยเราไม่ร้อนมากเราอาจจะขึ้นไปกราบพระไปไหว้พระสะก่อนอ่าอรหังสวากาโตสุปฏิปโนนะโมตัสสะพวกทางธรรมอ่าเราไปต้องไหว้พระยาวกว็ได้นะแต่ไหว้พระยนย่ออ่าจากอิติปิโสภควาละกะกาเยสวากาโตและกะกาเยสุปฏิปโนและกะกาเยนาวายาจากนั้นก็แผ่เมตตาอรหังสุกิโตโหมินิโตโกโหมิ ถ้าเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็น้อมจิตว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงวิญญาณด้วยเทอญจากนั้นเราก็กลาบอันนี้คือภาษาใจของเราให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพางั้นะเด็เราไม่ใช่ว่าเราพูดแต่ปากเฉยๆใจของเราออกมาจากใจจริงๆในจุดนั้น จากนั้นเมื่อไหวพ้พระเสร็จแล้ว เ, เราก็นั่งเราจะนั่งเก้าอี้หรือเราจะนั่งขัดฉมาดหรือเราจะนั่งพับเพียบก็ได้ในเมื่อนั่งเสร็จแล้วเราก็ประนมมือขึ้นในระหว่างอกพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงเออเามือลงแล้วกับแผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขจากนั้นก็คอพอ สครั้งแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะท่านนี่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่นี่ไม่ไม่ตามก้าเดินนั้นนะท่านี่เพราะเรานั่งเรานั่งต้องกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทแต่อย่าไปกั้นลมอย่าไปเกรงเอออย่าไปทําให้มันผิดปกติ ให้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่เป็นปกติที่สุดไม่ต้องตรึงไม่ต้องเกรงไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดแต่หลวงพ่อจะทำไงมันไม่เห็นนะแมันไม่เห็นลมนะแล้วจะให้ทำยังไงถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าสติของเราเนี่เราไม่เคยฝึกมาก่อนมันจะยังไม่เห็นเราก็หายใจแรงๆดูสักสองสามฟืดดูสิหายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆกระแทกออกแรงหายใจเข้าแรง สักสี่สามสี่ห้าครั้งจากนั้นเราจะรู้ได้ว่าเออลมกระทบที่ไหนที่ลมหายใจเข้านะ่ยมันกระทบที่ไหนจากนั้นเราก็พยายามผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลมนะผ่อนลมล ง, ลงจากนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าเออลมกระทบที่ปลายจมูก อ, อ่อจากนั้นเราก็เอาสติจับตรงนั้นถึงเรื่องสติการภาวนานะเรื่องสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสติสัมปชัญญนะ สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดในขณะที่เรานั่งเราเยอะเราเดินนะเอนี่แหละเราเดินเรานั่งให้มีสติสัมปชัญญะในขณะที่นั่งนี่แหละวิธีการภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ต้องตามเข้าไปถึงท้องและไม่ต้องตามออกมาข้างนอก เพียงแต่ลมกระทบที่ปลายจมูกผ่านเข้าไปเราก็บริกรรมว่าพุทธเวลาลมกระทอกผ่านออกมาแล้วก็บอกบริกรรมว่าโถเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นอะยืนอยู่ข้างประตูบ้านคนผ่านเข้าไปเราก็รู้คนผ่านเข้าไปเออคนไปคนเข้าเวลาคนผ่านออกมาเออคนออกเวลาคนเข้าไปเออคนเข้าเวลาคนออกมาเออคนออก ไม่ต้องตามคนเข้าไปในในข้างไในว่าเขาไปทําอะไรแล้วก็ไม่ต้องตามคนออกไปว่าเขาไปทําอะไรเพียงแต่รู้ว่าคนเข้าและคนออกนี้ก็เหมือนกันถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมกระทบเท่านั้นแหละอันนี้แหละคือวิธีการภาวนาขอให้คณะสัตายาติโยมทุกทุกท่านนะวิธีการภาวนาถ้ารู้แล้วเนี่ย ง่ายนิดเดียวไม่ยากนะวิธีการทําภาวนาจากนั้นถ้าว่าจิตใจของผมมันไม่สงบนะหลวงพ่อมันยังออกได้อยู่มันยังปุ่งฟุ้งออกไปได้อยู่เอาบริกรรมหรือสิเอาทิทีเ่ยเอาทีทีก็ได้ให้ขณะที่มันคิดเรื่องอะไรใจของเราปุ่งเรื่องอะไรใจของเราคิดเรื่องอะไรบริกรรมสำทัพเข้าจุดนั้นเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเนี้ยแต่ไม่ต้องพูดออกปากนะ ให้ใจพูดว่า ง, งั้นเถะให้ใจความรู้สึกของเราพูดเนี่ยสำคับอยู่ในใจของเราไม่ให้ใจของเราออกไปข้างนอกพุโทโธพุทธโถพุทธโถแต่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลึงไม่ต้องทําอะไรแคร่บสบายสบายแต่ว่าใจให้มันบทพุทธโถไม่ให้มีช่องว่างสําหรับจิตใจของเราจะคิดออกไปข้างนอกได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันยังมันมันเหนื่อยนะหลวพ่อมันยังไม่ถูกเอาทดลองเลสิเอาแบบใหม่อีก กำหนดหายลงหายใจเข้าเรานับเต็นเรานับหนึ่งเวลาหายใจออกเรานับสองเวลาหายใจเข้าเรานับสามเวลาหายใจออกเรานับสี่แต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงอย่างที่ว่านั่นนะคือให้เป็นธรรมชาติที่สุดหายใจเข้าก็นับไปเรื่อยหายใจออกก็นับไปเรื่อยแต่ถ้านับถึงร้อยไม่เผล่น่ะเอออันนั้นแปลว่าใจของเราอยู่กับตัวเองได้หนึ่งนาทีแล้วนะ ก่ของเราอยู่กับตัวเองได้หนึ่งนาทีแต่ถ้ามันจะเผลอน่มันจะเบอร์นะเบอ่มันจะเบอร์แล้วก็มันจะออกหลุดออกไปมันจะเบอร์เบอร์ช่วงไหนสมมติว่าเราหายใจเข้าเนี่เป็นเลขขี้ใช่ไหมหนึ่งใช่หหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่นแต่ถ้ามันจะเบอร์เบอร์ถ้ามันจะออกไปเนี่ยมันหายใจเข้าเนี่ยมันจะเป็น5้าสบอย่างเนี้ย หายใจออกเป็นห้าสิบสามเนี่ยแสดงว่ามันเผลอนะั่นถอะโอ๊ใจเราเผลอไปแล้วนี่ยแอมเป็นมันมันเลขคู่เข้ามามันเลขคี่ออกไปแล้วนี่ยแอมันไม่ถูกแล้วเนี่ยมันเบลอแล้วเนี่ยตั้งต้นใหม่อกีกกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโถนับหนึ่งไปอีกนี่แหละวิธีการภาวนาเพราะพุทธเจ้า ว, วางกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิบอย่างแหมที่จะจับลมหรือว่าที่จะกําหนดลม ที่จะกำหนดจิตของตนเองให้สงบเนี่ยพระพระพุทธเจ้าวางไว้40อย่างเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแนะนำไม่กี่อย่างน ะ, เ, ะเพราะว่ากรรมาฐานนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านแนะนำแก่สิบทั้งหลายอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ภาวนาเนี่ยท่านบอกภาวนากำหนดพุดโทโธเนะี่ยโดยมากท่านจะพูดเพียงเท่านั้นเพราะนั้นหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อจึงอธิบายให้แกศรัทธาญาติโยม ให้เข้าใจวิธีการปฏิบัตินั้นทำอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อพูด น, นี่แหละถูกต้องแล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราออกมาทีนี่ออกจากสมาธิทุกครั้งเราก็ป น, นมมือนะอะแหมเราก็แผ่เมตตาซะก่อนแล้วก็อุทิศส่วนกุศลด้วยแผ่เมตตาเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํำนั่งสมาธิวันนี้ขอให้สพรพพสัต ท, ทั้งหลายมีความสุขทุกข์วนหน้ากันแล้วก็ขอบูชาพระคุณพ่อแม่ บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายบุญกุศลที่เกิดนี้ขอให้เป็น h, ปัจจัยขอให้พวกท่านทลายมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความผู้มาต์ปรารถนาถ้าว่าดวงวิญญาณของท่านที่หลงลับไปแล้วก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าขอให้มีความสุขตามอัตภาพของท่านด้วยเทอญ อันนี้ก็คือการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลต่ อ, อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราส่วนหนึ่งนี่แหละอันนี้คือการภาวนาถ้าว่าพวกเรารู้จากวิธีการปฏิบัติหรือว่าการภาวนาแล้วไม่ยากแต่ยืนจะทำยังไงหลวงพ่อคือยืนสมัยก่อนพระในครั้งพุทธกาลท่านจะมีต้นเสารหรือต้นไม้แต่มีแผ่นกระดานแผ่นหนึ่ง ตีกับต้นไม้เป็นแผ่นกระดานจากนั้นท่านก็ไปยืนยืนอยู่ในพิงแผ่นกระดาน ก, ก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันพุทโธพุทโธแต่ถ้าเรายืนธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ดานมันโงนเงินเหมือนกันเน่ยโงนเงินมันจะล้มเอ่อมันจะเวียนศรีรษะถ้าเรายื น, ยนธรรมดาเพราะฉะนั้นพระในครั้งพุทธเจ้าท่านจะให้เวลาเดินจง ก, กลมยืนท่านให้ยืนพิงต้นไม้หรือว่าพิงแผ่นกระดานที่ ติดเอาไว้แล้วจากนั้นก็ภาวานายืนพิงแผ่นกระดานเพื่อไม่ให้มันง่วงเหมาอนั้นเถอะเอออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้ววิธีการนอนล่ะหลวงพ่อวิธีการนอนภาวานาเนี่ก็นี่แหละท่านตะแคงขวาสีห์สยญาต์เหมือนกับพระพุทธปฏิมากร น, นั่นแหละจากนั้นก็บริกรรมยลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าการภา ว, า น, น, ภาวานาเนี่ยหลวงพ่อไม่ขอแนะนำเหมือนกันเถอะพอแนะนําเข้าไปมัน สองสามลมหายใจเท่านั้นเองนะ่ะมันก็เกลอกไปเลยนอนหลับไปเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่แนะนำในการนอนภาวนามีแต่แนะนำในการเดินและ ก, การนั่งโดยมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจะแนะนำในการเดินและการนั่ง เ, เท่านั้นแหละเป็นหลักแต่ยืนท่านก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันงนเงินอย่างที่ว่านะ่แหละ การนอนในท่านยิ่งไม่แนะนำถ้าว่ามันหลับเร็วนอนเข้าไปแล้วมันหลับฝันไปเลยและทีน้เพราะนั้นพิธีการภาวนาอย่างทีหลวงพ่อได้บอกกล่าวทีนี้เมื่อพิจารณาทีนี้จะเป็นยังไงเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ผลของมันเป็นยังไงทีนี้เมื่อจิตสงบมันสงบอย่างไรแล้วได้ผลยังไงทำไมจึงให้ภาวนา ในหลักของพุทธศาสนาอันนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะแนะนําไปอีกผลของการปฏิบัติที่นี่ เ, นนะเมื่อเรานั่งภาวนาแต่ก่อนจิตใจของเราเนี่ยปงฟุ้งออกไปข้างนอกมันลังไม่อยู่ไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรตัวมีอะไรต่อแต่ละวันแต่เมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองโอ้โหแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าใจของเราเนี่แต่ละวี่แต่ละวันเนี่ยปงฟุ้งขนาดไหน แต่พอเราเอาสติจับเท่านั้นเองเราจึงรู้ได้ว่าใจของเรานะ่มันปุ่งฟุ้งออกไปจริงๆอเพราะนั้นเราก็พยายามเ่ยสิเมื่อรู้เราใจของเรามันปุ่งฟุ้งออกไปเราก็กำหนดลมหายใจพยายามเอาสติสัมปชัญญะเนี่ยนะยึดจิตใจของเราไม่ให้ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธสรุปแล้วก็คือบังคับนะอไม่ใช่ว่าจะสมัครใจซะก่อนมันจริงภาวนาไม่ใช่ อันดับแรกแเราต้องบังคับเจ ก, ก่อนเหมือนกับเด็กไม่รู้จักผลงานในการเรียนอย่างนั้นแหะเราสอนเด็กน้อยแนหะไปเรียนหนังสือนั้นโลกนะั้นร้านนะัเด็กเขาจะไม่อยากจะไปเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาไม่รู้คุณค่าว่าการเรียนหนังสือนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรนี่ก็เหมือนกันการนั่งภาวนาของพวกเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอันดับแรกเรายังไม่เห็นคุณค่าในการนั่งภาวนาเราก็ยังไม่สนใจหรือว่า ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรแต่ทันทีเมื่อเราพยายามทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละผลออกมาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองโอโ้ใจของเราเนี่ยมันสงบมันมีความสุขอย่างนี้เองหนาเนี่ยนี่แหะนวัดนัตติสันติปรังสุขขังทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนจากนั้นเราก็พยายามบังคับ ให้ใจของเราอยู่กับตัวกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโภ บ, บังคับไม่ให้ปุงฟุ้งออกไปทางอื่นในเมื่อเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความสนใจในจิตตภาวนาเราบังคับให้จิตใจของเรานื่งอยู่กับตัวเองอยู่ที่ปลายจมูกของตัวเองบังคับจากนั้นใจของเราจะรวมนะทีมันอันดับแรกเนี่ยถ้าเรามีความใส่ใจมีความตั้งใจแต่บางคนก็ เ, เวลานั่งเข้าไป ทำไมมันไม่อยากแต่นั่งธรรมดาเนี่ยมันทําไมไม่อยากจะหลับไปนั่งภาวนาแล้วนั่งฟังเทศจะเนี่ยมันสับปะงกเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่ออันนี้ก็มีคนถามเหมือนกันหลวงพ่อก็ตอบว่าเออในขณะที่เรานั่งคุยกันและนั่งทําอะไรเนี่ยเราไม่สับปะงกเพราะว่าใจของเรามันปุงฟุ้งออกไปข้างนอกมันปุ่งคิดออกไปข้างนอกแต่บัดนี้เราตะร่อมตรอมใจของเราเข้ามาสู่อารมณ์เป็นหนึ่ง ในขณะที่ฟังเทศน์น้นเราก็จดจ่อในการฟังว่าหลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไรในขณะนี้เราก็จดจ่อในคำพูดของหลวงพ่อใจของเราไม่ส่งออกไปข้างนอกพอจดจิตใจของเราไม่ส่งออกไปข้างนอกความเ ค, เคมเลิบเครมหรือความง่วงมันก็เหมือนกับหลับแลท้ทีนีเน้เหมือนกับเราปล่อยอารมณ์เข้ามาสู่อารมณ์เป็นหนึ่งใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบมันจะหลับ อ, อ, อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งข อ, ขอให้พวกเรา ตั้งใจแล้วบอกสังเกตเอาไว้แต่ไม่ให้มันหลับจะทํำยังไงหลวงพอ่อเพ่งสติให้มันแข็งขึ้นกําหนดสติของเราให้เข้มแข็งขึ้นให้มีสติสัมปชัญญะในเข้มแข็งขึ้นความง่วงเหงาหานอนก็จะหมดไปในระดับหนึ่งนนี้ก็คือเรานั่งฟังเทศหรือนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อเรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโพพุโทโพพุทมันจะง่วงจะสับเพงง แต่เราพยายามเพ่งสติและกำหนดสติให้เข้มแข็งขึ้นความง่วงเหงาห้าหนอนนั้นก็อนเออ ม, มันก็จะหมดไปแต่นี้เมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ใจของเราก็จะเออทีแรกมันก็ออกไปไกลก่อนนะเออ ม, มันออกไปเที่ยวซะก่อนโอ้ใจของเราออกว่ะทำไมมันออกไปเอาดึงกลับมาพอดึงกำลัง ม, มาหาหลักคือคือพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็จะแวบออกไปโอ้มันไปอีกแล้ว เดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธพุทโธเอามันไปอีกแล้วดึงกลับมาพุทโธตอนนี้เมื่อเราเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพอมันขยับออกไปถึงเราก็พยายามเราสติขึ้นของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆพอมันจะขยับออกไปเรารู้แล้วว่าจิตจใจมันจะออกแล้ว น, นี่เราก็พยายามบังคับให้มันอยู่นี่แหละในเมื่อเราสติมีสติสัมปชัญญะเรารู้กับตนเองอย่างนั้นแล้วจิตใจมันจะออกไม่ได้นะเหมือนกับตะกอน เราเลี้ยงควายอย่างนี้นะเลี้ยงบัวเลี้ยงควายพอเลี้ยงแนละ้มันออกไปหากินหญ้าอู้ตายเราเผลอหลับไปมันออกไปแล้วเนี่ยเฮ้ควายมันออกไปหากินหญนะ้าแล้วเอาดึงกลับคืนมาพอกลับคืนมาเรามามัดอีเอาเปยไปอีกแล้วอะเอาดึงกลับคืนมาเนีแต่ที่แรกมันก็ไปได้ไกลเพราะเราเผลอนานเัมือนกันนะ่ะต่อมาเนี่เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมันจะเผลอเพียงแคบเดียวมันเดินออกไปเราก็รู้ ต่อไปที่มองมขยับตัวเราก็รู้แล้วว่ามันจะออกไปเย่างั้นนี่แหละถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจะถึงขนาดนั้นถนี้ใจของเราจะขยับเคยื่อนไปที่ไหนสติของเราทั น, ลทนเลนเมื่อสติของเราทันจิตใจก็นิ่ง เ, เข้าสู่ความสงบจิตใจจะสงบเลยมีสมาธิมันอยู่มีอยู่สามขั้นนะตามกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเดวางเอาไว้คณิกะสมาธิ อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคันที่กะสมาธนะิเมื่อเราพยายามบังคับจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเอพยายามบังคับนะ่ะไม่ให้มันปุงพุ้งไปทางอื่นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบมันจะเหมือนกับน้ําแข็งหรือน้ําอะไรมาผ่านหัวใจของเราผ่านความรู้สึกของเรารู้สึกว่ามันเย็นว่าอในความรู้สึกโอ้โหจิตใจของเราไม่เคย สงบเย็นถึงขนาดนี้ทําไมเป็นเพราะอะไรนั่นแหละอันนี้แหละคือคณิกะสมาธิคือจิตสงบชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งเราก็ยังรู้เห็นรู้ได้ว่าจิตใจสงบนั้นมีความสุขขนาดไหนอันนี้แหละคณิกะสมาธิจากนั้นเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุม่งมั่นพยายามกําหนดลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆผลที่สุดจิตของเราก็ควบคุมได้ สติของเราควบคุมจิตอยู่จิตของเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราจะรู้ทันทั้งหมดถิ่นเอ adore, อย่างพวกเราทันทั้งหลายได้มาได้ยินหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อพอูดยอ adore, แต่เราไม่ได้สนใจว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรมีแต่ฟังอยู่กับตัวเองเท่านั้นมันผ่านเข้ามาแล้วก็รู้ ร, รู้รู้เป็นคําเป็นคําเป็นคําเป็นคําเป็นคำไ ป, ำ ป, ำ ป, ำ ป, ำปำแต่ได้ยินเสียงคู่คนภายนอกเสียงฟ้าร้องเสียงอะไรก็ตาม ใจของเราจะไม่ส่งไปตามหูของเราที่ได้ยินอันนี้แล้วว่าจิตใจที่เป็นอุปจารสมาธิจิตใจควบคุมสติสติควบคุมใจของเราอยู่ใจของเราไม่ออกไปนอกคู่นอกทางอันนี้แล้วว่าอุปจารสมาธิแต่อัปปนาสมาธินะจิตมันจะรวมสงบลงไปนิ่งกว่านั้นลงไปอีกอจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้ น, น, น สติเป็นอะไรจิตเป็น น, นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตเราจะนั่งอยู่นสถานที่ใดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงพดเสียงคู่เสียงคนจะไม่ได้ยินทั้งนั้นเงียบแต่เรามีสติอยู่ที่สติกับจิตของเรานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เผลอว่ากันเถอะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออเออเป็นเอกเทศจริงๆ จ, จากนั้นก็พอประมาณก็ถอนขึ้นมาได้ แต่ว่าจิตประเภทนี้ไม่ใช่สงบได้ไง่ายง่ายนานทีบางคนอาจจะไม่เคยเฉลยแต่ถ้าว่าบางค น, นท่านชำนิชำนาญในการภาวนาเนี่ยจิตจะจิตท่านจะเอาเข้าเวลาไหนจะสงบเวลาไหนท่านก็เข้าได้สงบได้เพราะท่านฝึกมาจนเคยชินฝึกมาจนชำชองว่างันแต่อันนี้คือจิตที่เป็น อ, อัปปนาสมาธิแต่จิตจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี้ เพียงแต่เข้าไปพักผ่อนอย่างลึกเท่านั้นเองแต่เรารู้ได้เลยว่าออจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่จิตที่นิ่งขาดนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายเป็นอันหนึ่งใจของเราเป็นอันหนึ่งใจกับกายกายกับใจอาศัยกันอยู่เราจะรู้เห็นได้ชัดในความรู้สึกในขณะที่จิตเป็นอัปปนาสมาธิเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครเลยว่างั้นเอะ มันเด่นถึงขนาดนั้นละ่ะร่างกายในแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมฝอยจริงแต่ว่าน้ำธรรมคือจิตใจดวงนี้โดดเด่นเหลือเกินในความรู้สึกของเราดวงนี้แหละที่ว่าตายแล้วไม่สูงตายแล้วไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้ไปก่อภพก่อชาติได้คือดวงวิญญาณคือใจดวงนี้แหละนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านไปปฏิบัติอยู่ในป่าดวงพงไผ่ท่านไม่ได้เชื่อที่อื่นนะ เชื่อในภาคปฏิบัติของท่านเมื่อจิตใจของท่านรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าใจดวงเนี้ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเนี่ยเอจากนั้นพอสงบลงไปในระดับหนึ่งใจของท่านก็ถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิอใครท่าแบบจะพิจารณาอะไรทีเนี่ยขณะที่ว่าจิตใจของเรา อ, อุปจารสมาธิแล้ว เราจะทํายังไงต่ออันนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้อะไรใชครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนําให้สอนให้พิจารณาถึงให้พิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายร่างกายของคนเราเนี่ตั้งแต่หัวจนเท้านี่คนเรามันหลงร่างกายของตัวเองถงร่างกายว่าว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าตัวเองเสร็จสวยงดงามอย่างนี้แหละแอบพอหลงหลงร่างกายตัวเองก่อนหลงร่างกายของคนอื่น มาหลงร่างกายของคนอื่นแล้วก็หลงลูกหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงเงินคําการเป็นอยู่ทึกสูงทุกสิ่งทุกอย่างหลงไปหมดเลเนี่เพราะจิตใจของเรามันหลงมันมันหลงร่างกายแต่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณาร่างกายนะให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนะร่างกายเรามีอะไรบ้างร่างกายของเราแบบมี เผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกมา้ามใจตับผังผือไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่าน้ำสเสลน้ำเลือดน้ำปัสสาวะในร่างกายของเราเอจากนั้นก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกจากนั้นก็มีธาตุไฟทําร่างกายให้อบอุ่นทําร่างกายให้เราร้อนนี่คือธาตุสี่ที่เป็นอยู่ในร่างกายของพวกเราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ ร่างกายของเราเนี่มีโครงกระดูกใช่ไหมธาตุโครงกระดูกคืออะไรคือธาตุดินธาตุน้ําก็คือน้านําเลือดน้ําปัสสาวะของเราน้ําไขมันของเราเนี่ยแหละเป็นธาตุลมธาตุไฟคือคือทําร่างกายให้อบอุ่นอ ย, อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านให้พิจารณาร่างกายที่นี่ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่น จิตใจของเราก็จะรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงเออร่างกายของคนเรานี่ไม่ว่าท่านว่าเรามันมีเพียงแค่นี้เองเนาะอ่าเราจะไปรุ่มหลวงมัวเมาอะไรมากมายนักหนาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าถึงเราจะไปเกิดอีกก็เถอะนะก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บต้องตายไม่ต้องเป็นอย่างนี้อีกเกิดมาพบหน้าชาติหนาก็เป็นอย่างนี้อีกเป็นเพราะเหตุนี้เองเนาะพราะพุทธเจ้าจึงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตนเอง จากนั้นท่านจึงสลัอร่างกายของตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็คือเราใจก็คือใจกายก็คือกายกายก็เหมือนกับรถใจก็เหมือนกับคนขับรถร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะไม่ถึงร้อยปีนะัร่างกายจะต้องทบพลภาพอจะต้องแก่ แต่จะต้องตายในที่สุดนะใจนะอยากเป็นลุ่มหลงมัวเมานะใจหน้าเนี่ยนี่คือธรรมะจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราสอนจิตใจของพวกเราใจของพวกเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกเราก็มาคิดอีกว่ า, าถ้าเราเป็นขราวาดละ่ะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบละ่ะเราจะไปปล่อยวางหนังอย่างนั้นได้ยังไงอ่ เราจะไปปล่อยวางอย่างนั้นได้ยังไงถ้าปล่อยวางอนั้นใช่หลวงพ่อเนี่ยปล่อยวางได้แต่พวกเราจะไปปล่อยวางได้อย่างไงเอีอันนี้ก็เป็นคําถามเอให้แก่พวกเรากิเลสมันจะถามลักษณะอย่างนี้นะแต่ตามเมตยิง่งธรรมท่านจะตอบว่าเออที่เราปล่อยวางเราไม่ใช่ปล่อยวางข้างนอกนะข้างนอกมีหน้าที่อะไรเราก็ทําตามหน้าที่ของเราแต่ส่วนจิตใจนั้น ให้เป็นภาษาใจของตนเองให้คิดหรือให้คิดเป็นภาษาใจของตนเองว่าถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดนะใจนะเอาไปด้วยไปได้สักอย่างนะใจนะเพราะฉนั้นท่านอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นนะใจนะไอ้เอนี่อันนี้คือสอนใจท่านให้ปล่อยวางที่ใจพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเวลา เรานั่งภาวนากลางคืนกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็พิจารณาร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนพอเสร็จแล้วเราก็บอกว่านี่นะร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือการพิจารณาพิจารณาร่างกายของพวกเราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของของตนเอง เ, อเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตนเองมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งภายนอกอีกทีหนี่ พอเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างหลวงพ่อเป็น เ, เจ้าของวัดได้เป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อพยายามทําดีที่สุดในฐานะที่เรารับผิดชอบอในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พอที่จะรับผิดชอบอะไรเราก็พยายามทําดีที่สุดเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยในหน้าที่หรือศิลวินยัยเราต้องรักษาให้เข้มงวดกวดขันเพราะ สมมติก็คือสมมติวิมุติในใจก็คือวิมุติให้แยกกันให้ออกอแต่เราต้องปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นคือมั่นทำเราไม่รู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางแล้วความทุกข์ทั้งหลายมันจะมาเียบย่ำทำลายจิตใจของเราเราก็จะทุกข์ด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนามันมีหลายละระดับมีหลายระดับเพราะนั้นเราจะไปคิดแต่มุมข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เราจะเอาเรื่อง สมมุติมาตีวิมุติก็ไม่ได้จะเอาเรื่องพระสูตรมาตีพระวินัยเอาพระวินัยมาตีพระปรมัตทก็ไม่ได้พระปรมตทคือพระปรมัาทพระสูตรก็คือพระสูตรพระวินัยก็คือพระวินัยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาให้ทั่วที่และจากนั้นก็แยกแยะก็ให้เป็นธรรมในจิตในใจเนี่ยวิธีวันนี้ก็หลวงพ่อได้ อธิบายธรรมะทมคำสั่งสอนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอันดับแรกหลวงพ่อก็ได้ประกาศให้คณะสถา ญ, ญาติโยมเรื่องจตุปัจจัยที่ได้มาในการทอดกระถินผ้าป่าหรือว่าต่างกลัมต่างวาระหลวงพ่อใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้ก็หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้แก่สถา ญ, ญาติโยมได้ฟังและก็เรื่องสถานีวิทยุเสียงธรรม อันนี้เขขอฝากไว้กับทุกครูทุกคนที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อไปแล้วก็นําไปคิดไปพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลจากนั้นของหลวงพ่อก็ได้แนะนําเรื่องทานมีคุณค่าอย่างไรเรื่องศีลมีคุณค่าอย่างไรคุ้มครองในพบนี้ยังไงในอนาคตชาติยังไงจากนั้นเรื่องวิธีการภาวนาปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาหลวงพ่อได้อธิบายให้แก่คณะทาญาทโยมให้ได้ยินได้ฟัง ทุกทีพอสมควรเรื่องภาวนาเรื่องทำสมาธิเรงเดินยังกรมทําอย่างไรแล้วก็และการนั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบนั้นเป็นอย่างไรและการพิจารณาเมื่อจิตสงบแล้วเป็นจิตที่เป็นอุปจารสมาธิแล้วพนา ม, มาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินปัญญาวิปัสสนาอย่างไรหลวงพ่อได้อธิบายให้แก่ทธา ญ, ญาจมเพื่อเป็นแนวทาง นำไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อแนะนําคิดว่าไม่ผิดนะถูกต้องตามธรรมคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามธรรมคา ส, สอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ประพฤติปฏิบัติมาหลวงพ่อก็เลยมาขยายหรือว่ามาแนะนําแก่ศรัทธาญาติโยมให้ดีฟังได้ศึกษาการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศี